เป็นตายชาชีวิตี่ า, า, า, า, <c oughs> า, ายาแสดงเป็นแดงเ็นอื่นแสดงเป็นเออแม่น ค, นคงมงงง ก, กงขาม า, า, าทางไตายเ้าตัวแท้และทสียงทุกองมันเกิดจากใรมาันะเกิดจากขคนอกหายคือเกิด มันจะเกิดเง่นได้โลภ ก, กวนเหลงมันจะเกิดขึ้นจากใจของเรานักขนทางรู้สึกมันจะเกิดขึ้นจากจิตใ จ, จ, ใจอีกหมือนกันอย่ง่งการแสดงทางการะสดงทดี่ไม่เกิดแบบก็ระสดงชีวิตทุกคนมือโลภ ก, กดธเหลงติดต่างตาตัวเหลื่อยมา หเเองรับทเดือดร้อนวุ่นวายใหญ่รจิตใมีความโลภความโกรธความหลงจเ่ษณเรื่องของความโลภความโกรธความหลงแล้วเรื่วนความฝุกความสบายความยินก็จะไม่เห็นหนูจะเด้งแต่ความทุกข์ความยากความลบากเือไป นั้นธรรมะจึงเป็นเรื่องการสำจัดความโลกความโกรธความหลงของใจการทางธรรม ะ, ข, นะ ะ, ะ, ะงงขอให้ทุกคนตั้งใจเป็นปัจจุบันบอย่าคิดไปในอดีตที่ผ่านมาแล้วเป็นอย่างนี้อย่างนี้อย่าคิดไปในอนาคตคือย่ังไม่ถึงแล้วอย่าหลง้นเรื่องปัจจุบังคือคิดไปอย่างนี้ไแอย่างไร หนึ่งก็หมดจิตใจทั้งตป็นหรืในอาในาทันจะเป็นเรื่องบริกรรมจะทำมือมัน่นแา่ทำบริกรรมข่ี้จะเป็นเรื่องที่กำจัดอารมณ์ตัณยยาต่างๆนานาให้ตกไปถึงอารอามณ์จะเกิดขึ้นหรือผ่านมาอย่าไปติดตาม่ยกข้องหนึ่งบริกรรมหรือย่างนั้น เป็นจิตในรับการสงบระงับหรืออย่างนั้นคือยังไม่ถึงความสงบระงับคำปฏิกรรมอ น, นั้นกับจิตในสัมผัสกันอยู่ทุกระยะเวลาในจิตไปเกี่ยวข้องกับสัญญ า, ารนอกเมื่อเป็นอย่างนั้นจิตก็จะได้รับการสงบรงรีได้ถึงใมเรงเรวมถึงขั้น แต่เรากลัวเสียใจแลาเราดยติดตามเส้นดาวรุงหมอกไปต่เราต่างใจอยู่กับคำบริสันทั้องตนในอย่างนั้นจะพิจารณาอาิยะธาตุขันต์กัวต่างหาต่างตาพิจาราตางประถาเป็นจีิงของมันอย่าไปเลงไหลปล่อังตัางสมุติของโลก เราพิจาราอยู่ในอะไรวะร่างกายของเราเกิดความเป็นเพียงจิตใจใจเห็นเกิดตลอดทั้งเร่ในเรื่องผีดผิดข่องเกิดเพลินหลงเหลว่าจเป็นของเสียสดงงานมาจเป็นของเสี่ยงเป็นของแหน่ลยต่างต่างนี่คือทาง ทำจิตของตนให้เขถึงธรรมถ้าหากเาเนยกหนดนธรรจะให้มันเ็นไปเองเป็นไปโดยไดจิตใจของตนงสัตว์ถ่วไปเป็นอย่างนั้นเนืออกันทับสัตว์ถ้าหากไม่คิกปฏิบัติความตางงานถึงจะแฉขนาดไหนนั่นกใ้ตารงานโดยได้าไม่เคคจร เรือจะเอาส่เกลียนแล้วต้องฝึกเสียก่อนทางึกแก้วใส่คือเดียวซึ่งว่าอายเรอตัวนั้นมันแก่แล้วคงจะเป็นเกลียนเกลียนเกลียนหน้แล้วใส่เข่าวกอไม่เต็นไปให้จิตใจของพวกเราทั้งแร่ทำงาเดียวกันเมื่อแก่ไปกิเลสปัญหาจะตกไปหลุดไปมืนไม่อย่างนั้นทำงานจิตใจของ มนุษย์ทั่วไปย่นมแอเทลายแต่เนั้นหลุบดบวกแยเทลายยร้มยิ่มเขอจะเอามาต้นมาแฉมาเมล่งอะไรกินในบ้านเหลือใครงแจ๋ถึงถื้ของ ม, มันมีแ <c oughs> จ, จ, จ๋เส้นแจะใหญ่แจะรับทางในบ้านจิตใจของคนแจ๋ที่มือสันดาอาเรมาเบสุก แปลงทางธรรมของธารมะเดียวกันย่งคิดติดห้องในสมบัติทัศถาในในรูปในล้านในบา้านในช่องทุกสิ่งทุกอย่างย่งอยู่ตลอดเวลาการนั่งการนอนก็ย่ ง, ท, งทั้งๆคือในเวลาทาอะไรก็ยึงอยู่ในใจก็คิดนี่การปฏิเสธจิตเป็นอย่างนั้นแต่ในนี้คุนค่าในานี้ค่า ประเยชอะไรยิงแกจะยิงหาสาะอะไรในบัตรยงแฉจะยิงหาคุณค่าในบัตรจริงๆธรรมะในใจัเป็นไปแบบนั้นโดยส่วนให่ซึงนอย่างนั้นบนอย่างนี้เพราะกามมีความสุภายในใจขังตนแต่แฉที่นี่อาจมีธรรมมีศีมีทางมีพันนาในเป็นอย่างนั้น แก่เทไรยิงมีคุณค่าแก่เทไรยิงมราคาเช่นคืออาจารย์ทีจจท่ท่านเคอรมติดตัวของข่านมายิงอายุแก่เทไรใจของข่านจะยิงยูยิงยึดเสกสุขคนเป็นชายคนทั่วไปเลื่องใส่ศรัทธาเพราะท่านมีคุณธรรมในใจนของท่านคุณธรรม เป็นของขาเท้านะเป็นของทุกคนที่อยากวะแสวงหาศึกษาให้จิตใจทั้งตนได้รับมรรคผลธรรมวิสุทธ์เคลื่ได้เอื้อมได้ในเวลายืมในเวลาใช้เพราะในสมัยปัจจุบันก็เคยมีเชอรีเปรตก็ะไม้เชื่อมต่อยืมฝึกเอื้อมตัวของเขา าจจากผู un, ้ทีชนเป็นอริยเจ้าเป็นสน่ห์ของโลกได้ในี้จบสูดชายถ่ายเดียวสุดยิงกวสุดได้ก็กิเลสตัางหาตัวเดียวกันยิ่งชายเป็นภาษาสมมติจิตใจเมื่อสุกอบรมเข้าสู่ขั้นสงบมีความสุขความสบายมีสมาธิสมาบัติภายในใจของตัวแล้วไม่มียิงไม่มีชาย เมื่อจากายอนันไปนทีอาจจะเสียเป็นพรมพรหมหนูมีหญิงหนูมีชาเพราใจมีสมาธิสมาบัติหนักน่ม่ได้เกี่ยวข้องจิตอยู่ในการอารมณ์ต่างๆมีการสืบจิตเหมาเท่าสืบขังเีมอเป็นหนักเป็นอันเดียวกันเวลาเท่าไรนเวลาปันพชิตเนจิตแก่กต่สังอะไรกันการสืบจิต คืออาจารย์ทุกท่านก็เคยมาสอนพวกเรามาพอสนควรสุด่ส้นใจไป ใ, ในสำนักต่างๆเลยส่ ว, วนใดทางกรรมฐานคืออาจารย์ทำแม่สอนด้านภาวนาด้านสึกจิตเป็นส่วนใหญ่เพราะการฝึกจิตมีคุณค่ามีสาระมีอานิสง มากกว่าสิงทั่วไปจิตเป็นสิ่งสำคัญที่นักกล่าวมีพุทธเจ้าเป็นต้นสังเระเสร็จแต่เป็นของมีคุณค่าสาระยี่งกว่าสิอื่นหมดทั้งโลกหากจิดใจของคนใดได้สึกอบรมแต่รับความสมบศึกภายในใจทองสตว่แล้วคนนั้นมีคุณค่าสาระมาก เฉพาะตัวของท่านเคยคิดของเก่าหมอเคยคิดกินเสื่อใจในเรื่องต่างๆท่านหักห้ามออด้าท่านละท่านวางท่านปล่อยตัดขึ้นสิ่งที่ไม่เป็นสาระเศรษฐําหบัตตัวของท่านโลิกปวดหลงหมดไปภายในใจใจสว่างใส่ใจเยือกใจเยเ็นใจรู้ใจเห็น สิงี่ อ, อัจรรย์ที่สุดย่เรศที่เคยมาลดเอียมจิตใจหมดไปสพไปไม่มีอะไรที่เหลือหล่อเพราะอา น, นาจสติเพราะอา น, นาจปัญญาสาสันแผละเผาสิ่งเหล่านั้นให้หายไปจากใจของท่านการเพียงคือทัพุทธเจ้าทรงสั่สงเสงก็คือวามมีสติ มีปัญญาจะนั่งจะภาวนาจะเดินรงกลมโดยอยู่อเลด็ดใดมีสติใส่ัำตัวการทำการพูดการคิดทุกอย่างไม่แพ้สติมีปัญญาสอบสอนที่นิานาสิงจิตใจึงที่จิตใเพญโดยสำนัเสมอนี่ หมายถึงผู้ที่ตั้งหน้าปฏิบัติแน่ใจสติปัญญาให้หายไปจากใจทั้งขั้นเมื่อมีปติมีปัญญาไปจันดีอย่างนั้นอารมณ์สัญญาส่วนเกินาจต่ำเกิดมาก็ทราบได้เหมือนนายามเข้าประตูคนดีคนเชื่อที่จะเข้าประตูมาเห็นหน้าเห็นตาของเขา เตรีมจะให้เข้าหรือจะผักดันออกห้างกันเอาไว้ก็เป็นเรื่องของนายประตูนายามจะพิ ก, พก น, น, นิ่พิจารณาอนุญาตคำใดจิตใจของพวกเราท่งหากมีสติไส่ใจหรือสมัําเสมอสันดาอารมณ์สั้งฐานที่ขุดขึ้นคงขึ้นภายในใจทราบได้ว่าอันนี้ ตป็นทางดีหรือทางเชื่อตนทางสืบสนหรืออาสืบสนเครื่องที่จะให้จิต่ยวความสังคมหรือเครื่องที่จะตัดเต่าออกไปนี่คือสติคือปัญญาของสู่ทาํทาความเพียนมีประจําดูทุกระยะทุกเวลาสุธิภาวะ น, ะนามีสติมีปัญญาแ่งจริงละทา ง, ทางเพียน เพียงและเพียงบำเพ็ญสิงคือเพียงและก็หมายถึยง ค, ความเชื่อสิ่งคือความบำเพ็ญก็หมยามยถึง ค, ความดีฉะนั้นในทางปริยัตยิตำหลับตำลาศาสนาแท้จึงว่าประทานความเพียง <c oughs> คืออย่างสึ่งแต่เขียนเอาไว้สังวรราชประธานเพียงระวังห้ามกัน้น ่นความชั่วเกิดขึ้นภายในตัวคือภายในจิตในใจของตัวเองความเชื่อายจะทำเชื่อ ว, วาจาจะสืดเชื่อออกไปจากใจก่อนถ้าใจในคิดใจในตงึงใจในสามารถที่จะไปทําอะไรได้วาใจาในสามารถที่จะดูดา่าว่าเปล่าอะไรได้ มันเกิดขึ้นจากใจเสต่อเมื่อมีสติรักษาใจอาเรื่องยาฝ่ายตังฝ่ายอาธรรมเกิดขึ้นเข้าใจว่าสิ่งนี้เป็นพิ่งที่ไม่ดีเมื่อพูดไปทําไปจะให้เลืดตัดเต่าทิ่งเสี้ยในจิตใจห้ามตั้งความเชื่อั่วไปอย่างนั้นไม่ให้เข้ามา โยกฟังกับจิตใจอยกอยากฟังวาระปัังคือฟังวันระวังตาเหงื่มูลื้นกายใจของตัวผลได้ยินได้กลินยินรสสัมผัสทุกสงุก่ไม่เดืเหลงไม่เลยหลวตัวให้ความเชื่อโยกฟังระวังรักษาอยู่ตลอดเวลา ยังเหตายาใจไปเกี่ยวของกับความเชื่ออต่หารจต่ทำความเชื่อที่มีอยู่ภายในซึ่งเป็นนิสัยหรืออุปนิสัยมาเก่าก่อมันซึงมันคิดภายในจิตในใจทั้งตัวถ้าสติดีสติกล้าสามารถจะเห็นจังขันถิดเป็นขึ้นภายใน อยู่ทุกระยะทุกเวลาทำนห้โตขึ้นคิดขึ้นในสิ่งที่เชื่อประหัตประหารค่ามเสี้ยต่อยมันเสี้ยอย่าไปเก็บกรรมเอาไว้ความชั่วภายในใจหนึ่นนั้นมีเรอย่างประหรัตปรหารชำระความเชื่อที่มี อ, อยู่ในตัวให้หมดไปความชั่วซึ่งจะจอนเข้ามาจาก้ายนอก ระ ว, วังรักษาเอาไว้เดือสังเวลาประทานความเชื่อภายในปรหารประหารไปเมื่อความเชื่อภายนอกไมมีโอกาสเข้ามาความชั่อภายในสําลสาสารไปความเ ช, ช, ชื่อที่มีอยู่กว่านกำหนดเวลาถึจะเบาบางเลื่อหมดไปเหมือนน้ำในตึงในไห่เราตักใช้เลื่อยไปเนี่ยเอามาเพิม่มเติมมันก็มีเวลาโอกาสที่จะหมดแต่หากเราเพิ่มตเติมอยู่เรื่อย มันจะหมดพอมันจะหมดเปิดก๊อกให้ไหลเท่ามั็ในหมดพอเราต่อยมนเท่ามีความชั่วในกายในใจของเราก็ทำนองเดียวกันถ้าเราห้ามกัน้นหรือสังวะละต่าทานระ ว, วังรักษาในความชั่วทั่วไปไมเกี่ยวข้องกายใจของเราความชั่วที่นี่อยู่สัมละกต่าแสงออกไปให้หมด เชื่อความเพียรในการล้าเชื่อภาวนาประทานแต่ทำบำเพ็ญคุณงามความดีจึงที่จะเป็นสารประโปชด์แก่ตัวของตัวและประเทศชาติเมื่อเราทําเราพูดเราคิดอะไรออกไปสิ่งนี้ถ้าหากเขาทำต่อเราเราจะ ม, มีการเสียใจดีใจ ในสิองที่เราทำอย่างนั้นคนอื่นมาทำกับเราเราดีใจเราทำกับเขาเขาก็ดีใจเหมือนกันนี่คือความดีที่ควรทำทางโลกความดีที่ควรทำทางธรรมทางใจหมายถึงอัจทำที่เราที่ท น, ทนิพพานภายใน ก่อ ท, ทางแก้ไขธรรมะใจทั้งตัวให้เบาสบายคิดไปเกิดความผ่อนใส่คิดไปเกิคคดกความตื่นใจในความดีทั้งตัวคิดไปเท่าไรยิ่งเป็นเรื่องแก้ไขเรื่องสรระไม่ใช่เป็นเรื่องก่อป่วยที่เหล็ตัญหา เก่ยวกับภาวนาป่าทานคือทําความดีให้มือขึ้นเราเคยคิดเคยนึกได้นิดหน่อยแต่เราพยายามรักษานิดหน่อยเอาไว้ไม่ให้เสียไปเพิ่มขยายความคิดของจิตของใจทางคำว่าสายสังทางหย่อนเย็ใจให้มากขึ้นไม่ใช่ สิ่งนิดหน่อยตกไปหาพียงใหม่ที่เป็นคุณค่าสาระในทางธรรมเพิ่มพรวีเพิขึ้นจะมวนมากขึ้นจิดใจได้รับความขึ้นชืนได้รับความเบิกบานได้รับความอัศจรรย์เพราะการสงขยัยทาความดีภายใน เห็นเดินลงต้นมันเผอเผอคิดตัวอย่างนั่อย่างนี้เรากาหนดอะไรคีอว่ามันเผอไปจะตั้งใหม่ให้ได้แน่กจรานั้นอ่าเหอนเผลอผลพิสูจน์แต่ระยะที่เดิมจนกระทั่งหยุดในนี้เผอนั่งภาวนาระยะกี่ชั่วโมงกี่นาทีเผลอเลอะเผล จะนั่งเพิ่มขึ้นอีกให้ได้นานกว่านั้นจิตใจก็ให้ตั้งมั่นในอดในธรรมในปล่อยไปตามสัญญาอารมณ์ในธรรมสัจธรรมทำโดยเอาใจใส่ในการรักษาจิตใจจริงจังเป็นเห็นผลในการการทำของตนเกิดอจจจัศจรรย์ในอดในธรรมที่ยังไมนเคยหรือเคย เ, เห็น เด่นชัดในจิตในใจนี่คือการภาวนาประทานสร้างคุามความดีตร้างสติปัญญาให้แก่ตัวเครงตัวอันนี้ลัคนาประทานรักษาความดีทุกด้านที่เป็นของดีเอาไว้ไม่ให้เสื่อมไม่ให้ตกไปโดยง่ายดายรักษาให้คงเส้นคงวา ในความดีของตัวในความชั่วในเกี่องของในเรียกงขอความเพียรถ้าจุดใจเต็ไปในความเพียรแล้วคนนั้นจะมีทางถึงจุดมุ่งหมายจะมีทางอื่มมีทางเต็มถ้าจิดใจดาเนินไปถูกต้อง ระยะที่ยังไหงอืิ่มมันก็ยังติดยังคิดยังจึงในความดูอยู่เมื่อมันพึงเก็บอื่มเด็บพอของมันเราเองจะทราจะเข้าใจแต่มันพออย่างไรเมื่อมันพอมันจะเป็นลนิมิตคือความหลุดออกไปจากความดีความชั่วต่างๆใน่มีอะไรที่จะไปเกี่ยวเกาะ กับความบริสุทธิ์นั้นความบริสุทธิ์นั้นจะไม่มีอะไรสงสัยถึงไม่มีใทรเห็นด้วยตัวเองตัวเห็นเข้าใจชัดเจนว่าอันนี้ไม่มีทางที่จะบำเท็ญจะละอีกจนความบริสุท์ที่ไม่เคยรู้เคยเห็นมาก่อนความเยีอกเ ย, ยมนจิตใจเป็นสมาธิสมาบัติเรียงๆละเอียด แม่แน่ข น, นาดไหน น, นั่นมันเป็นทางดาเนินของจัดในใจความบริสุทธิ์แต่ความบริสุทธิ์นี้ไม่ได้เป็นอย่างนั้นจึงไม่มีทางสงสัยในใจของตัวเองว่าเราจะควรบําเพ็ญอีกอย่างไรควรละอะไรต่อไปมันหมดสงสัยเป็นธรรมปัิจจตังเฉพาะธรามสุขแต่ธรรมบำเพ็ญแต่เห็นแต่รู้ในตัวเอง ถึงขั้นนั้นไม่มีสมมติไม่มีจิริยาไม่มีอะไรที่จะสงสัยเป็นอันจบในการละการบำเพ็ญของตนทางปริยัติทันโยกจบคนนะจ๊มันมีอะไรจะเป็นจิตสำคัญยิ่งกว่าการละการถอนจิเลศเมื่อไปถึงที่ สุดเก็บหมายแล้วไม่มีอะไรที่จะสุดจะสบายจะเยียกเย็นจะเพียงพอจะสมบูรณ์เข้ากับจิบที่บริสุทธิ์ผ่องอย่างนั้นท่านจึงอยู่เป็นสุดสงบทุกการทุกเวลาถึงสั้งฐานสัญญาจะมีอยู่เหมนพวกเราธรรมดาแต่ท่านก็เห็นกูว่าอันนี้เป็นสมมดอันนี้เป็นสังขารเหนือยังมีหลางใอยู่เหนือไร จะใช้ น, น้ำไปตามสมมดิของโลกเมื่อกายแตกสลายเมื่อไรเต็มที่นหมเต็มไปตามทั้งฐานคืออะไรท่านทราบเราจะไปกอ่อพบก่อชาาดอีกไหมทํานทาบได้อะไรมันจะไปก่อเกิดก่อตายอีกความบริสุทธิ์นี้จะไปอยู่ที่ไหนท่านจะทราบอีกนิพพาน ข, ของท่านจึงมีอยู่ทุกการทุกเวลาทุกสถานที่ ร่างจิตของท่างบริสุทธิเป็มลูมิตไม่ต้องไหลเข้าไม่ต้องไหลออกนี่คือความบริสุทธิของใจความบริสุทธส่วนนั้นจะเป็นไปได้ก็อาศัยความภาคความเทียมคือสังว ร, ร, งง ร, รลัตฐานการจังบอลเล่าลางในความเชื่อเ็ไา้เกี่ยวข้องกายใจทังตัต่หัรแต่ทางคณะความเชื่อที่มีอยู่แล้ว ให้หมดไปภหวนาประทานพยายามสั่งคุณ ง, งามความดีถึงเป็นอาจเป็นทำให้เกิดขึ้นอเมริกาณาไปทะธานรักษาความดีที่มีอยู่แล้วไม่สืสส่อมนม่เสียไปเป็นจิตใจอื่นตัวพอตัวจะเป็นมีมุดเมื่อยังไม่เป็นมีมุดก็ต้องตั้งหน้าทําเรื่อยไป นี ừ, เรื่องธรรมะของรพ ร, ระพเจ้ามันมีอยู่นอกกายนอกใจข อ, องพวกเราพระพุทธเจ้าเองท่านทีท่านเห็นท่าก็พิจารณาหยุดภายในซึ่งนี้คือมีอาจารย์ที่ไหนสอนท่าก็กําหนดเลมของท่านก่อนที่จิตจะสงบใช้ฝึกใช้ประบัติเรื่องอาการกิริยาต่างๆ จนอดนอนสอนอาหารพรมาณกายทำทุกขกายจิิยาแต่เหนื่อเวลามากาหดนดลมหายใจเข้าออกไม่ให้จิตคิดไปส่วงอื่นกาหนดอยู่อย่างนั้นจนจิตสงบเรืเ่มลงจนหนึ่งก็ทราบดีว่ะการกาหนดภายในเป็นทางที่จะแก้ไขจิตใจ รเรียนเรื่องได้แทนจิตก็หมดเรื่อยไปเจริญใเรียนเกิดความรู้เกิดยานขึ้นเบ้ต้นก็ะถอดถอขึ้นมาเกิดที่ใจมาได้เรื่อยไปในสิ่ต่างๆปฏิยาการที่เกิดแก่เตายไดพบาดต่างๆจนไปถึ ง, งต้น ของอวิชาคือจิตที่ลนมหลงจิตข้อถอดถอนชั้นะ้เป็นเข่าหัวต่อของมันออกได้มันก็หายสงสัยใจอันเดียวเท่านั้นที่ไปดีไปชั่วในใจเรื่องอื่นตายเพียงแต่เรื่อง นอกหากใจดีมีธรรมเรื่องของกายมันจะเป็นใจกลางหาใจไม่ดีไม่มีอักธรรมกายมันจะทำเชื่อวาจชามันก็สวดชั่วไปได้งานรับแต่การดังนั้นการตั้งใจการปฏิบัติใจจึงเป็นเรื่องสําคัญถ้าหากไม่เอาจริงเอาจรงในช้าน่าที่จะเห็นจะเป็นได้ สำหรับเราสื่อถืเป็นนิตรไสยยาทานะ่ทานธรรมะสังลกาว่าทุกขปะปฏิปทา ท, าทาทันทาทิญยาคือปฏิบัติยากลืช้าในใสทุกขะปฏิปทาคิดตาทันยทบน ย, น ย, น ย, ยัดทิมยาวนั้นเพียงได้ยินได้ฟังนิดหน่อยเนะท่านั้นก็เข้าใจปฏิบัติง้า ว่า ใ, ใจของท่านรองรับอยู่แล้วปฏิบัติเอาประโยอเดียวแต่รู้จะเห็นบางท่านบางองเพียงตรงผมยามาเดียวดุจการณาผมถือกะโกนไปในยินเท่านั้นแต่เป็นอาหารอาหันต์อรหันต์นั่งเดียก ว, ว่าคือขาปฏิภาถาสิบป่าทิอยาปฏิบัติสะดวกรู้เลย ในเน้นพวกเราพวกเราเคยที่นี้ใจใจนะเคยได้ยินได้ฟังมาเคยศึกษาเคยปฏิบัติแต่นั้นก็เป็นไปยากถึงยากก็ในเหลือวิสัยมันพยายามศึกษามันพยายามติดตามยากวางเมในเอาเคล้าทำยากมันจะไปไง่ย า, ายในอะไรในอะไรจะเสนอให้เป็นไปเนไดน้ยากก็ต้องทําเพราะหนา้าที่ของเรามี เมืนคนเดินทางถี่นี้ขุกขาดที่นี้กันดันแต่จุดหมายปลายทางรอยากจะไปอยู่น้เห็นอย่ามันยากมันลำบากไม่ไปเราจะนึกอยู่แต่ใจมันก็ถึงไม่ได้ถึงได้พ่มาตื่นสายให้ยาหาขึนไป